ท้ามบวชให้คนเป็นโรคห้าชนิดสมัยนั้นมีโรคห้าชนิดเกิดขึ้นมากในแคว้นมคตคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคหลากโรคมองคลอและโรคลมบ้าหมูสำหรับคำแปลโรคทั้งห้าชนิดนี้เป็นไปตามที่ฝ่ายไทยเราเคยปลายกันมามีข้อที่ควรอธิบายคือโรคมองคล้อนั้นได้แก่โรคที่มีเสมหะแห้งอยู่ในลำหลอดปอด ได้สอบดูกับคำแปลของศาสตราจารย์ริสเดวิสร่วมกับโอเดนเบิร์กมีดังนี้หนึ่งโรคเรื้อนสองโรคฝีสโรคเรื้อนแห้งสี่วันโรคปอดหโรคลมชักควรดูอัถกถาหน้าห0สิบประกอบด้วยมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นโรคเหล่านี้ก็พากันไปหาหมอชีวกเพื่อให้ช่วยรักษาให้ หมอชีวกไม่รับรักษาอ้างว่ามีภาระต้องรักษาพระราชาบุคคลเนราชสำนักและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ค, คนเหล่านั้นเห็นไม่มีทางอื่นจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายก็บวชให้เป็นภาระแก่ภิกษุทั้งหลายที่จะต้องพยาบาลแม้หมอชีวกเองก็ต้องทำงานหนักจนเสียราชกิจ ชายคนหนึ่งออกบวชให้หมอชีวกรักษาพอหายแล้วก็สึกไปหมอชีวกเห็นเข้าจำได้ถามทราบความก็ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยห้ามบวชแก่คนเป็นโรคห้าชนิดผู้ใดบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎห้ามบวชให้ข้าราชการเกิดความไม่สงบชายแดน พระเจ้าพิมพิสารตรัสสั่งมหาอมาตที่เป็นนายทัพให้ไปปราบมีหลายคนหนีไปบวชภิกษุทั้งหลายก็บวชให้พระเจ้าพิมพิสารจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติวินัยไม่ให้พระบวชคนที่เป็นข้าราชการเพราะอาจมีพระราชาที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเบียดเบียนภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสห้ามบวชให้ข้าราชการส่งปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุที่บวชให้ในสมัยนี้ผู้เป็นข้าราชการจะต้องมีใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบหมายให้อนุญาตแทนพระองค์พระอุปชายยะและสงฆ์จึงบวชให้ห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อเสียง สมัยนั้นโจรองคุลีมานบวชอยู่ในสำนักภิกษุทั้งหลายคนเห็นก็ตกใจกลัวบ้างสะดุ้งบ้างวิ่งหนีบ้างมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อเสียงทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้บวชให้ห้ามบวชโจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงประกาศไม่ให้ใครทำอะไรเช่นจับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาโจรผู้หนึ่งทำโจรกรรมถูกพันธนาการด้วยเครื่องจองจำแต่ทำลายเครื่องจองจำได้จึงหนีไปบวชคนทั้งหลายพากันติดเตียนภิกษุผู้บวชให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้โจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ ผู้บวชให้ต้องอาบัตทุกกฎห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีกได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภิกษุทั้งหลายให้บุคคลผู้ไม่สมควรมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้บุคคลผู้ไม่สมควรอื่นอีกคือโจรที่ถูกหมายประกาศให้ฆ่า บุคคลที่ถูกบยด้วยแท่ถูกลงโทษแล้วในประเทศบุคคลที่ถูกนาบด้วยเหล็กแดงให้เสียโฉมบุคคลที่เป็นนี่บุคคลที่เป็นทาตให้บอกสง์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวชเด็กลูกช่างทองทะเลาะกับพ่อแม่หนีมาบวชพ่อแม่มาถามภิกษุทั้งหลายไม่ทราบจึงปฏิเสธครั้นเขาพบว่ามาบวช ก็ติเตียนหาว่าภิกษุเหล่านั้นพูดปดซึ่งความจริงไม่รู้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้บอกกล่าวสงฆ์เมื่อจะโกรธศีรษะคนบวชห้ามบวชผู้มีอายุยังไม่ครบยี่สิบเด็กส7เจดคนขออนุญาตมานดาบิดาออกบวชถึงเวลากลางคืนลุกขึ้นร้องไห้ขออาหาร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้คนมีอายุไม่ถึงยี่สิบทั้งที่รู้อยู่ว่าอายุไม่ถึงถ้าบวชให้ให้จัดการตามควรมีวินัยที่อื่นปรับอาบาัติปาจิตเตอยู่แล้วดูได้ที่สั ป, ปนากะวัคข้อห้ามเกี่ยวกับสามเณร อาหิวาตะกโรเกิดขึ้นสกุลหนึ่งรอดตายมาเฉพาะบิดากับบุตรทั้งสองคนออกบวชเมื่อมีผู้ถวายอาหารแก่บิดาบุตรวิ่งไปขอแบ่งเป็นที่ติเตียนจึงทรงห้ามบรรพชาบวชเป็นสามเณรให้เด็กที่มีอายุหย่อนสิบห้าปีภายหลังมีเหตุจำเป็นที่ต้องส่งเคราะห์บวชให้เด็กอื่นๆที่พ่อแม่ตายหมดจึงทรงผ่อนผัน ให้บวชให้เด็กอายุหย่อนสิบห้าปีซึ่งสามารถไล่กาได้คือพอจะรู้เดียงสาและมีเหตุเกิดขึ้นเกี่ยวกับสามเณรจึงทรงบัญญัติไม่ให้ภิกษุรูปหนึ่งมีสามเณรไว้รับใช้ถึงสองรูปถ้าทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎภายหลังทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถอบรมสั่งสอนมีสามเณรไว้รับใช้ได้ไม่จำกัด ผ่อนผันธเรื่องการถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุจะต้องถือนิสัยคืออยู่ในปกครองของอุปชายยะหรืออาจารย์ตลอด1ิปีเกิดความไม่สะดวกจึงทรงผ่อนพันธให้ภิกษุที่ฉลาดสามารถถือนิสัยตลอดหปีส่วนภิกษุผู้ไม่ฉลาดให้ถือนิสัยตลอดชีวิตแล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ5อย่างรวมสี่ชุด ประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างรวมสี่ชุดที่ภิกษุจะต้องถือนิสัยหรือไม่ต้องถือนิสัยแล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ6อย่างรวม4ี่ชุดประกอบด้วยคุณสมบัติ6อย่างรวมสี่ชุดที่ภิกษุจะต้องถือนิสัยหรือไม่ต้องถือนิสัยการขาดคุณสมบัติหรือการประกอบด้วยคุณสมบัติมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่กําหนดไว้สําหรับอุปปชายะและอาจารย์ โดยเฉพาะที่กล่าวถึงคุณสมบัติหอย่างข้อที่หก็คือกำหนดว่าจะต้องมีพรรษาครบห้าหรือเกินห้าพระราหุลบวชเป็นสามเณรพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัทพระราหุลกราบทูลขอราชสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ ทรงกำหนดวิธีบรรพชาเป็นสามเณรด้วยการถึงสารณะสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าสุดโทธนทนะทรงขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าให้บวชแก่บุตรที่มารดาบิดายัางไม่ได้อนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามบวชผู้ที่มารดาบิดายัางไม่ได้อนุญาตผู้บวชให้ต้องอาบัติทุกกฎ ให้มีสามเณรรับใช้ได้เกินรูปหนึ่งพระสาวรีบุตรมีสามเณรราหุนไว้รับใช้หนึ่งรูปแต่เมื่อมีสามเณรอื่นๆบวชเพิ่มขึ้นก็ไม่กล้ารับไว้ในปกครองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถมีสามเณรไว้รับใช้ได้สองรูปกับสามารถจะให้โอวาดสั่งสอนได้จานวนเท่าใด ก็อนุญาตให้มีสามเณรไว้รับใช้ได้ตามจำนวนนั้นคือไม่จํากัดจํานวนแท้จริงการมีสามเณรไว้รับใช้ไม่เหมือนแบบมีคนใช้ของครอหอัดเพราะภิกษุจะต้องเป็นผู้ปกครองสั่งสอนให้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาการใช้เล็กๆน้อยๆก็คงมีบ้างศีล ส, สิบของสามเณร สามเณรทั้งหลายสงสัยว่าศิกขาบทหรือศีลของตนมีเท่าไรจะพึงศึกษาในศิกขาบทอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติศิกขาบทสิบของสามเณรคือหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์สเว้นจากการประพฤติล่วงพรหมจรรย์สเว้นจากการพูดเท็จห้า เว้นจากดื่มสุราเมรยัย 6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงไปแล้ว 7. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคมและการดูมหรสพ 8. เว้นจากทัดทรงตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวต่างๆ9 เว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่คือเว้นจากนั่งนอนเหนือเตียงตังมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนอันใหญ่มีภายในใส่นุ่นและสำลี 10. เว้นจากการรับทองเงินการลงโทษสามเณรสมัยนั้นสามเณรไม่มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติองค์หที่จะทำทันทกรรมคือลงโทษสัมมณ์เนนคือหขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ขวนขวายเพื่อให้เกิดความเสียหายหรืออนัตตะแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้ 4. ดาบริาพาดภิกษุทั้งหลายห้าำภิกษุทั้งหลายให้แตกกันเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าจะลงโทษสามเณรอย่างไรจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้กำหนดข้อห้ามได้ภิกษุทั้งหลายห้ามไม่ให้เข้าสังขารามคือวัดที่สงอยู่สามเณรเข้าไม่ได้ ก็เดินไปที่อื่นบ้างศึกบ้างไปเข้ารีดเดียรถีบ้างจึงทรงห้ามไม่ให้ภิกษุห้ามสามเณรเข้าสังฆารามทั้งหมดถ้าทาเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎอนุ ญ, ญาตให้ทำการห้ามเฉพาะในบริเวณที่อยู่ที่ไปมาคือกักบริเวณภิกษุทั้งหลายห้ามกลื่นกินอาหารห้ามใช้ปากบริโภคอาหารหรือดื่มข้าวยาคู คนถวายอาหารถวายข้าวยาคูสามเณรก็ไม่กล้าฉันมีผู้ติเตียนจึงทรงปรับอาบัตทุกกฎแก่ภิกษุที่ห้ามแบบนั้นภิกษุฉัพัขีกัก บ, บริเวณสามเณรหลายรูปอุปชายยะทั้งหลายตามเที่ยวถามหาทราบความก็ติเตียนระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยว่า ยังไม่บอกเล่าอุปชัยยะก่อนไม่พึงทำการห้ามหรือกักบริเวณสามเณรผู้ทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วยภิกษุฉับพขีชวนสามเณรของภิกษุผู้เป็นเทระไปอยู่ด้วยท่านลำบากด้วยการหาไม้สีฟันและน้ำล้างหน้าเอง จึงทรงบัญญัติพระวินัยไม่ให้ชวนบริษัทคือสามาเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วยถ้าทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎการให้สามาเณรศึกสามาเณรของพระอุปนนทะสักยะบุตรประทุษร้ายคือข่มขืนานางภิกษุณีภิกษุทั้งหลายติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงอนุ ญ, ญาตให้นานสนะคือไล่ศึกสัมมนเนรผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือหนึ่ง่าสัตว์สองลักทรัพย์สประพฤติผิดในกามสพูดปดหดื่มสุราเมรยัย 6. ติเตียนพระพุทธเจติเตียนพระธรรม 8. ติเตียนพระสงฆ์ 9. มีความเห็นผิดสิบ ประทุษร้ายหรือค่มขืนนางภิกษุณี